สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่คือชีวิตพระเยซูตอนที่16ครับหัวข้อย่อยก็คือจอห์นเดบับติสตอนที่6ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเช้าวนันนี้พระเจ้าของพระเจ้าได้บันทึกไว้ในพระธรรมภระกิตติคุณมัทธิวบทที่3ข้อ12ครับผมจกให้พี่น้องฟังครับพระหักของพระองค์ถือปลวพร้อมแล้ว และจะทรงชำระรานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุงง้งฉานแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่คือคำอุปมาซึ่งยอห์นจะแบพทิสใช้ในวันนั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้าวก็คือองค์พระเจ้าของเราในสมัยนั้นนะครับทางเราจะเข้าใจบริบทและเข้าใจความหมายนี้ให้ชัดเจนและของแท้ เราจะต้องรู้ว่าสมัยนั้นเขาใช้วัวครับในการย่ําเมล็ดข้าวบนลานงวดข้าวและแยกมเมล็ดข้าวและกแกลบออกจากกันนะครับผู้เกี่ยวข้าวนั้นก็จะเอาเคร่ัวครับตักข้าวขึ้นมาสาดสาดขึ้นกลางอากาศครับมเมล็ดข้าวซึ่งหนักกว่าจะตกมาที่พื้นในในในที่เดิมส่วนกแกลบนั้นก็จะถูกลมพัดปลิวไปครับแล้วแต่ว่า ลมแรงลมเบานะครับถ้าลมแรงก็จะปลิวมากไกลลมเบามันก็จะปลิวน้อ ย, อยแต่มันก็ปลิวครับเพราะว่ามันเบาครับอันนี้เป็นวิธีการที่เขาจะแยกแยกแกลบออกจากข้าวนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เก็บข้าวที่ดีไว้แกลบนั้นก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงครับตามคำอุปมานี้ยอนผู้ให้บัพติสมาหรือยอนเดบัสติสนั้น หมายความถึงว่าผู้ที่กับใจนั้นก็เปรียบเสมือนกับเมล็ดข้าวครับซึ่งพระเจ้าจะรักษาไว้ส่วนผู้ที่ไม่กับใจนั้นไม่ยอมรับคำสอนไม่ยอมเป็นสาวกพระเยซูไม่ยอมรับพระคริสต์จะไร้ประโยชน์และต้องถูกเผาทิ้งไปพี่น้องครับเรามาดูครับว่าเมล็ดข้าวนั้นกับแกลบนั้นแตกต่างครับแตกต่างครับหลายหลาคนมีชีวิตอยู่ณเวลานี้อาจจะเป็นแกล์ก็ได้ หรืออาจจะเป็นเมล็ดข้าวก็ได้เราดูนะครับเมล็ดข้าวนั้นมันมีสาระมันมีแก่นสารครับมันเป็นประโยชน์และมันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ที่ปลูกแต่ในขณะเดียวกันครับเราหิกเลี่ยงแกลบไม่ได้เพราะว่าแกลบนั้นมันมาพร้อมกับเมล็ดข้าวแต่แกลบนั้นก็สามารถเปรียบเสมือนกับพวกที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระครับ อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลัง่วงชีวิตของข้าวอยู่ mm. เพื่อที่ไม่ให้ข้าวนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ปลูกผู้ที่หว่านพี่น้องครับในชีวิตของเราหลายๆลายครั้งนะครับบางคนเป็นแกลบครับซึ่งในที่สุดจะต้องถูกเอาไปเผาไฟเพราะชีวิตของเขานั้นไม่เป็นแก่นสารไม่มีสาระแต่บางคนครับมีแก่นสารมีสาระครับแต่ยังไม่ได้ถูกนวด ยังไม่ถูกย่ำด้วยวัวครับเพื่อที่จะถอดเอากแกลบที่เป็นสิ่งไร้สาระออกไปคนเหล่านี้จะต้องผ่านการนวดก่อนครับผ่านการนวดจากวัวผ่านการคัดแยกพัดกรองสิ่งต่างที่ไม่ดีนั้นทิ้งไปชีวิตของเขานั้นก็จะเหลือเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์สวยงามและเป็นประโยชน์ในสองสถานภาพนี้นะครับ บางคนเป็นเม็ดข้าวบางคนเป็นแกลบอีกชั้นทาหนึ่งก็คือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเราต้องสลับแกลบทิ้งไปจากตัวเราเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเหลือแต่มเมล็ดข้าวที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ได้พี่น้องครับท่านคิดว่าพวกปริศีและพวกสาดูสีในเข้าใจภาพพจต่างๆเหมือนกับยอนเดอะแบกทิสกล่าวมาหรือเปล่าครับการบัติสมา ด้วยพระวิญญาณบริสุดแล้วด้วยไฟการเก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวบางทีตอนแรกที่พวกเขาได้ยินพวกเขาอาจจะคิดว่าคําพูดเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกไม่มีความหมายอะไรแต่พระเยซูได้ใช้ภาพพจน์เหล่านี้อีกหลายครั้งเหมือนกับที่ยอนใช้ครับยอนเดอะเปปซิสใช้เรื่องครั่วเรื่องแกบเรื่องมเมล็ดข้าวอย่างไรพระเยซูต่อมาก็ใช้ภาพพจน์เหล่านี้ซ้ําอีก แต่ดูเหมือนว่าขณะที่พระเยซูสอนคนทั่วๆไปนะครับชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาเนี่ดูจะเข้าใจค้อยคำเหล่านี้แต่บรรดาผู้นำศาสนาอาจไม่เข้าใจครับและไม่ทราบวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนอกกรุงเยเสรมและพระวิหารในเรื่องการคัดแกลบออกจากข้าวก็เป็นได้พี่น้องครับจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับพวกเขาอยู่กับชนชาติชั้นสูง พวกไฟสีพวกสารุสีนั้นคงเท้าไม่แตะพื้นก็แบ่งชนชั้นกันอย่างสุดๆเหมือนกันเขาคงจะไม่รู้ครับว่าการแยกแกลบแยกข้าวออกจากกันทำอย่างไรแต่เปเยซูกำลังเน้นย้ำนะฮะว่าแม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเปเยซูเน้นย้ำความจริงว่ามีวันหนึ่ง ชีวิตของเขาที่ไม่เป็นเก่นสารชีวิตของเขาของใครที่ไม่เป็นสาระจะต้องถูกนำไปเผาทิ้งในไฟแต่เป็นไฟที่ไม่รู้ดับด้วยซ้ำนั่นหมายถึงการเป็นในสภาพนั้นการอยู่ในสภาพนั้นเป็นนิพนธนพี่น้องครับฟาสีนะครับไม่เข้าใจนะเขาเป็นผู้นำศาสนาเขาไม่ทราบวิธีดำเนินชีวิต แต่ถ้าเราอ่านในกลับมาในลูกาบทที่สามข้อเจ็ดถึงข้อสิบเจ็ดลูกาก็เล่าเรื่องเดียวกันกับมาทิวครับและลูกาก็เพิ่มรายละเอียดต่างๆไว้ด้วยเราเห็นนะครับว่าย อ, อนเรียกผู่ยอนเดอะแบปติสต์เรียกคนเหล่านี้ว่างูร้ายเจ้าชาติงูร้ายและกล่าวถึงต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีที่ต้องถูกข่นทิ้งลูก า, กาเพิ่มเติมว่ายอนนั้นก็พูดกับประชาชน ประชาชนก็เลยถามยอนว่าเราจะต้องทำประการใดดียอนตอบว่าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้กับอย่างนั้นเหมือนกันยอนกำลังสอนถึงผลแห่งการกลับใจใหม่ผลของคนที่รับบัพสมาควรจะมีผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาจะรักในการทำสิ่งดี เขาจะมีจิตใจแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนอื่นเขาไม่เหมือนคนเดิมนะครับเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพราะเนื่องจากการกลับใจของเขาลูกาก็ได้เล่าต่อไปว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับในหมู่ประชาชนก็คือพวกคนเก็บภาษีก็มาถามยอนเดอะแบคทิสว่าพวกเขาต้องการรับบัพติศมาเขาควรจะทำประการใดดียอนตอบว่า เจา้าของหลายอยากเก็บภาษีเกินพิกัดพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าคนเก็บภาษีนั้นชอบขูดรีดเก็บภาษีเกินพิกัดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเขานั้นมาจากภาษีครับความชื่อตรงเป็นผลของการกลับใจใหม่ความชื่อตรงเป็นผลของการประกาศตัวว่าเขากลับใจใหม่การประกาศตัวนี้ก็คือการรับห บ, บักสมานั่นเอง ถ้ า, าอ่านต่อไปนะครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มารับบัพมา ก, ก็คือพวกทหารพวกเขาก็ถามยอนว่าต้องทำการใดดีดยอนตอบชัดเจนเลยนะครับว่าอย่ากันโชคครับอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนพี่น้องครับทหารนะครับชอบขู่เอาเงินจากประชาชนเพราะทหารนั้นมีอํานาจแต่ยอนสอนให้ทหารที่กลับใจใหม่นั้น ให้เขาอ่อนโยนและมี จ, จิตใจโอบอ้อมฮารีครับฉะนั้นเราเห็นนะครับคนทั้งปวงที่มีฟังยอนพากันตึกทรองว่ายอนเป็นพระคริสหรือเปล่ายอนตอบด้วยความคล้ายคลึงกันกับที่เราอ่านมาแล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวและพระกิติคุณยอนว่าเราให้เจ้ารับบัตรสมาด้วยน้ําแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งเราอีกซึ่งไม่คู่ควรแม้แต่แค่ฉายสลงพระบาทของพระองค์พระเจ้าจะให้เขาทั้งหลาย รับบัพตมาด้วยข้าวมังยานมาสุดและด้วยไฟครับเพียงครับในเช้าวันนี้ก็ยังไม่สามารถจบในสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดอีกนะครับในวันพรุ่งนี้จะขอต่อเป็นตอนที่หกขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านขอโทษครับขอต่อเป็นตอนที่เจ็ดนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน